ขอความนอบน้อมจงมีใคนคุณพระ ร, รัตนตรัยจเรญพรท่านผู้อำนวยการแพทย์ประจบัา น, านตลอดจนถึงผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกทา่านเมื่อกี้เจนนี่มาแจ้งว่าหม้อไฟนะระเบิดก็ตรงกับหัวเรื่องวันนี้พอดีเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นโครูถ้าหม้อแปลงไฟไม่ระเบิดเราจะรู้ไหมว่าไฟสำรองนี่จะได้ใช้เมื่อไหร่นี่สุดงว่นใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้ว่าความพร้อมที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยมันใช้ได้จริงไหมในสถานการณ์จริงเมื่อกี้ตกใจกันไหมตกใจแล้วใจไปอยู่ไหน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 แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะชวนให้พระวันพร้นเปรนงรู้รตกใจครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิอยู่ในบ้านพักของนายช่างหม้อมีฟ้าผ่าปเปรี่ยงลงมาวัววัวของชาวนาถูกฟ้าผ่าตายไปสิบหกตัวตอนเปในน้อยต่มาอ่านเหตุการณ์นี้ออกมาก็รู้สึกว่าเวอร์จั ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่หลายปีมานี้สมสภาพได้อ่านข่าวทำนองนี้แล้วก็จริงนะคุณโยมนะเร็วๆนี้หนึ่งสือพินก็เพิ่งลงไปนะว่าฟ้าผ่าควายตายไปตั้งสี่ตัวพร้อมกันสมัยพระพุทธองค์นั้นทรงประทับนั่งสมาธิอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อพอฟ้าผ่าแล้วเนี่ยฝนหยุดตกวัวตายไปตั้งสิบหกตัว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 พระพุทธองค์นั้นทรงปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาปณสติจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ตรัสไว้ด้วยนะว่าใครอยากจะเป็นอย่างพระองค์นี่นะให้ฝึกเจริญอาณนนาปณสติไว้เสมอเราจะไม่ประวัติร่ำเริงในสถานการณ์ต่างๆที่น่าประวัติร่ำเริงแล้วสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีให้ผลสูงสุดถึงมรรคผลนิพพานเมื่อ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 หน้าหนาวนี่มืดเร็วนะมืดมิดทุกทีทุกทางอัตามาก็ได้เห็นในสิ่งที่ตามาลส่งหอนใจมาตลอดเส้นทางตั้งแต่ออกจากบ้านก็คือมีรถท่วงสิบแปดล้อแล่นอยู่ข้างหน้าคนกับรถของอัตามาก็แต่ไฟขอสัญญาณแสงขึ้นไปเขาก็ให้แสงนะพอรถแสงไปปุ๊บ อาตอมารู้สึกประวัติท่านพึงรู้สึกว่าจะแสงพ้นหรือเปล่าพอแ่งไปได้ครึ่งลำของรถสิบแปดล้อคุณผมรถบัสอีกคันหนึ่งสวนมาึุงๆหน้าเลยแต่ไฟสูงมาเลยเขาเต็มหน้าเลยห่างกันสักสิบเมตรนาทีนั้นอาตอมาทำอะไรอาตอมากลับมาหายใจทันทีเลยได้ใช้อานาปนสติก็คราวเนี้ยนาทีเฉียดเป็นเฉียดตายนะคุณผูมนะ รถคันที่อัตมนั่งเฉียดกับสิบแปดล้อ แ, แค่ฝ่ามือแล้วก็เฉียดกับรถบัสที่พุ่งตรงมาฝ่ามือรถอัตอมานั่งอยู่ตรงกลางฟอร์จูเนนานทีนั้นจิตของอัตอมาส ง, งบวิ้สงสงบลึกเข้าไปแล้วเราก็ฉีดออกมาเส้นยาแดงผ่าแปดคนขับรถเขาเคยมีประสบการณ์ขับรถแล้วก็หลับในตกข้างทาง เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วแต่ครั้งนี้เขาสงบมากพอรอดมาได้อาตมาถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าผมขับมาเองป่านนี้จบไปแล้วเพราะอะไรเพราะปกติเขาจะครองสติไม่ได้แต่วันนี้พอคนนั่งอยู่นข้างอาตมาอาตมาไม่ตื่นความสงบที่มันอยู่ที่เราเนี่ยมันแผ่เข้าไปรถทั้งคันเงียบรอดมาได้แม้ปลอดภัยที่สุด พอหลุดออกมาปุ๊สิ่งที่อามานึกถึงก็คือนี่แหละคือสิ่งที่ฉันฝึกมาทั้งชีวิตถึงนาทีเป็นนาทีตายก็ได้ใช้กันคราวนี้เราได้เห็นพลังของจิตที่สงบพอสงบแล้วมีสติเราไม่กระตกกระตากถ้าเกิดอาตมาเป็นคนที่ตกใจแล้วมวยวายขึ้นมานะคนขับจะเป็นยังไงเขาจะขาดสติแล้วก็จะโครมกันตรงนั้น หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยตามารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยแหละวันเนี้ยที่จิตมันส่งสัญญาณตั้งแต่ขับรถออกจากบ้านยมพ่อมันส่งตมาสังเกตว่าวันนี้ทำไมยมพ่อกุลีกุกลีกุจอมาส่งเราถ้าวันนั้นเราไม่มีสตินะนั่นจะเป็น้าสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพ่อแล้วเราก็รอดมาได้อัตามาก็นึกขึ้นมาเลยนะควันนี้แหละอา น, นิสงส์ที่ฉันฝึกอานาปัญสติมานาทีเป็นนาทีตายคือสิ่งที่เรียกกันว่าเคราะห์อออมาเยือนชีวิตพลิกออกมาเป็น ครูของเราทันทีคือเราได้เห็นมาอ๋อถ้าเราไม่ฝึกใจให้มันสงบนะในนาทีเช่นนี้เรานี่จะฝันป่วนขนาดไหนเราจะตกอกตกใจตะลึงถึงรดขนาดไหนถ้าเราตกใจทุกคนคนขับเขาตกใจแล้วทีนี้เขาก็ครองสติไม่ได้รถที่เรานั่งมาก็คือพหาหนะของมัจจุราชจริงไหมเรา่องนี้ให้ฟังนะเพื่อนที่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่หม้อแปลงมันระเบิดแล้วมันก็เกิดสัญญาณไฟดับพึ๊บเนี่ย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 อตาตมาเฉียดเป็นเฉียตายมาได้ก็เพราะครองสติได้พอตามาครองสติได้คนขับก็ครองสติได้พอคนขับครองสติได้รถคันนั้นก็รถที่แล่นไปอย่างในสติความสังหอนที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นได้แค่มาเตือนให้รู้ว่าต่อไปอย่าประมาทอีกเท่านั้นเองอตาตมายังคิดเลยว่าถ้าตามาไม่เคยฝึกอานาปนสติมานี้แล้วเป็นนั่งรถอยู่กับคนที่ขี้ตกอกตกใจนะ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 จุดที่เราจะพลิกก็คือสติจะเป็นตัวพลิกถ้าไม่มีสติยากมาใที่เราจะพลิกอะไรได้ฉะนั้นจึงจะขอยกตัวอย่างสักสองสามตัวอย่างว่าถ้าเราครองสติเอาไว้ได้ในที่ทุกสถานในการรกเมื่อนะเราสามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคแล้วก็เปลี่ยนรกให้เป็นครูได้วันนี้ได้ตั้งใจจะนำภา พ, พยนตร์ชิ้นเยี่ยมของโลกเรื่องหนึ่งมาฉายให้ดูแต่พอดีว่าระบบไฟฟ้ามีเคราะห์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 เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารรถไฟที่เป็นผิวขาวเท่านั้นพวกผิวดำอย่างคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้นันกกมายหนุ่มก็บอกว่าผมมีสิทธิ์ผมซื้อตั๋วถูกต้องเจ้ากลตรวจตัวหายไปแป๊บหนึง่งไปตามเพื่อนมาสองสามคนแล้วจับผู้ชายคนนี้ถูรูถูกลงโยนลงจากโยนลงจากรถไฟพร้อมกระเป๋าเข้าของแตกกระจายเลย นักกฎหมายหนุ่มคนนั้นเจ็ดจำน้ําใจเป็นที่สุดมองดูรถไฟที่เล่นออกจากชานชาลาไปหันกลับมามองกระเป๋าสัมภาระของถึงที่แตกกระจายแล้วก็หันมามองสภาพตัวเองนักกฎหมายหนุ่มจากลอนดอนดูไม่เจิดแกตั้งคําถามขึ้นมาว่านี่ขนาดเราเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้มีการศึกษาเป็นอย่างดียังถูกรังแกยขนาดนี้ พี่น้องชาวอินเดียผิวดำของฉันในแอฟริกาต้าจะถูกรังแกขนาดไหนคิดได้แบบนี้ปุ๊บสติมาเลยปิ้งขึ้นมาเอาละจากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่เป็นแค่ทานายความคนหนึ่งฉันจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับพี่น้องของฉันทุกคนที่ถูกรังแกโดยคนผิวขาวตั้งแต่นั้นมานักกฎหมายหนุ่มคนนี้ก็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 ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวอินเดียนะถึงขั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าจะจับ ท, ทําทะเบียนสมบัติโบรจากรเนี่ยนะเขาขออนุญาตเลยขอถอดเสื้อผ้าเลยเพื่อดูว่ามีตําหนิที่ตัวตรงไหนบ้างทํากันถึงขั้นนั้นนักกฎหมายหนุ่มคนนี้บอกวันเนี่ยเรามาอยู่ในภายใต้รัฐบาลที่ไม่กคำนังถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนของพวกเราเลยถ้าเรายอมเราก็คงต้องยอมก้มหน้ารับกรรมนไปทั้งชีวิตเขาบอกว่า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 พอเขาลงจากเรือเดินมาสมุทบขนาดใหญ่กลับมาถึงแพันดินินเดียมีคนแห่มาต้อนรับเขาหลายพันคนก่อนที่เขาจะมาถึงชื่อเสียงของเขาได้เดินทางมาถึงแผ่นดินเกิเดเทียบร้อยแล้วเมื่อเดินทางถึงแผ่นดินอินเดียเขามาพินิษฐพิจารณาดูพ่อแม่พี่น้องของเขากว่าสามร้อยล้านคนทําไมคนทั้งสามร้อยล้านคนจึงปล่อยให้ทหารอังกฤษแค่สามแสนคนกดขี่ข่มแหงและตกเป็นอาณานิคม อ, อังกฤษ ก็ได้พูดกับคนใกล้ิดว่าเราเป็นทาสมานานมากเกินไปแล้วต้องเลิกเป็นทาสกันซืียทีตั้งแต่นั้นมาผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นผู้นำในการที่จะพาประชาชนเพื่อนเพ่อมชาติเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียคุณยอมแล้วก็ทำสำเร็จไหมโดยที่ไม่ใช้อาวุธสงครามใช้แต่เหินสา คือการไม่เบียดเบียนขันติคือความบรสทสันติวิธ <_ d ose> ีก็คือการไม่ใช้ <_ d ose> ระบบตาต่อตาฟันต่อฟันใช้แต่หัวใจที่รักในอิสรภาพเท่านั้นเลยพาประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวเวเนีย์ทั้งประเทศลุกฮือขึ้นเรียกร้องเอก ร, ราชในที่สุดรัฐบาลอังกฤษต้องถอนตัวไปแล้วยอม ประกาศให้อินเดียกลายเป็นเอกราชอังกฤษในที่สุดผลงานที่มีผู้ชายคนนี้เป็นผู้นํานั้นได้รับการยกย่องเป็นอันมากปราณก้นหนึ่งของอินเดียคือรัปินทรนาถกาูรจึงยกย่องคาร์ทีนักกฎหมายหนุ่มคนนี้ซึ่งสู้มาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ว่าเป็นมหาตามะแปลว่าผู้มีจิตปัญญาอันยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เขาได้รับการยกย่องเป็นที่สองรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และชื่อของเขาก็คือมาตมะคันทีในอินเดียนั้นเขายกย่องกันมากว่าเขามีคนของโลกอยู่หลายคนคนหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งคือพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นชาวอินเดียก็ยกย่องมากถึงขนาดว่าเอาตราพระธรรมจักรเนะี่ยมาเป็นตราแผ่นดินนะแล้วก็รูปเสียญของสิงห์สี่ตัวที่ทูลธรรมจักรนั้นก็มา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 เขามีสติพอไม่สติก็เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเลยนะคิดขึ้นมาว่าขนาดเรามีการศึกษาระดับนี้ยังถูกรังแกแล้วพี่น้องประชาชนคนตาดำดำเพื่อนพุ่มชาติจะถูกรังแกขนาดไหนเอาละ่ะต่อไปใครจะรังแกพวกเราผิวดำอิ่ไม่ได้เป็นอันขาดเพรสติเกิด ข, ขึ้นมาเคราะห์ก็เป็นโชควิกฤตก็เป็นโอกาส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 ตั้งแต่นั้นมาเส้นทางของความเป็นมหาบุรของโลกก็ได้ถือกำลัดขึ้นเห็นไหมว่าในโมงยามที่เรามีเคราะห์ที่สุดวิกฤตที่สุดเลวร้ายที่สุดถ้ามีสติและมีปัญญาพลิกจะกเคราะห์ให้เป็นโชคขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อมหาธรรมากานธีได้เสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปีแต่ในเวลานี้ผู้ชายคนนี้ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญ ในฐานะผู้นำทางการเมืองผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชาติอินเดียและคนทั่วโลกรวนแล้วแต่เคยได้ยินชื่อของผู้ชายคนนี้ทั้งนั้นชีวิตของมัาธมาการียังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสู้อีกหลายคนเช่นเนลสันแมนเดลาแห่งไงฟริกาใต้เป็นแรงบันดาลใจให้กับมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ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 สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตมามากมายหลายครั้งแต่ถ้าเราไม่มีสติครองกายคลองใจเราจะเปลี่ยนไม่เป็นพอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็จมอยู่ในความทุกข์พอถูกด่าเราก็จมอยู่ในคําด่าถูกตําหนิเราก็จมอยู่ในคาํตนาคำตำําหนิแต่ถ้าเรามีสตินะพอถูกดา่าเราก็พลิกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันจริงไหมนะที่เขามาว่าเรากพิจารณาดูเออถ้ามันจริงเราก็ปรับตัวใช่ไหม ถ้ามันไม่จริงเราก็ปล่อยเขาไปสิ่งใดเกิดขึ้นเดี๋ยวสิ่งนั้นก็ดับลงคิดอย่างนี้พระพุทธองค์ของเรานั้นเป็นต้นแบบของบุคคลที่รู้จักเปลี่ยนเคราะหให้เป็นโชคมือวางอันดับต้นต้นของโลกเลยนะครั้งหนึ่งเสด็จประทับจามันษาที่เมืองเวรัญชาแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงพระองค์ก็ไม่เด่นตกอกต ก, ตกพระทัยอะไรหรอกก็ยังคงอยู่ในความสงบจงถือว่านี่คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง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 แล้วพระามคนนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พันรยาของตัวเองนี้แต่ไหนแต่ไรไม่เคยกุลีกุจอทําอาหารเลยพอพระพุทธองค์มาเท่านั้นแหละตื่นตีสามตีสี่มาทำข้าวปลาอาหารทําำนะแค้นสุดที่จะแค้นเลยคือสามีอยู่ด้วยกันแท้ๆเธอไม่เคยทาตัวพิเศษให้เห็นเลยนะแล้ววันหนึ่งสมณะมาจากไหนก็ไม่รู้พันรยาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกุลีกุจอทำข้าวปลาอาหารไปตักบาตรแค้นมากแล้วไปหาพระพุทธเจ้าไปด่าพระพุทธเจ้านะ ชี้น้ด่าด่าด่าด่ทุกหมดเริงเลยพระพุทธองค์ก็ยิ้มนะเราเนี่เวลามีคนมาด่ายิ้มไหมเจอเข้าไปสองสามคำยิ้มได้ไหมพระพุทธเจ้านี่เจอมาสิบคำนะเขาเรียกว่าอโกสวัตถุนะมีสิบคำชุดสําหรับด่านะพระพุทธองค์นี่โดนเข้าไปเต็มเต็มสิบชุดเนี่ยิ้มเลยนะต้งยิ้มเลยพอหลังจากไปลองดูนะถ้าภรรยาด่านะสามียิ้มยิ้มให้ตลอดด้วยะอยแค้นนะ ไม่ใช่พอยิ้มเสร็จแล้วนี่แข็ขึ้นมานไม่ได้นะพระพุทธองค์ทรงยิ้มเลยเสร็จแล้วก็ถามว่าจบแล้วใช่ไหมพระรามบอกจบแล้วหมดแรงพระองค์ก็ถามนี่พระรามเวลาเธอไปบ้านคนอื่นเนี่ยนะเขาเอาเข้าราหารยกมาต้อนรับตั้งเธอไม่กินเนี่ยข้าราหารจะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของบ้านเสกขอรับพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ฉันใดก็ฉันนั้นคำด่าได้เธอประเคนแต่ฉันฉันไม่รับประเคนนะ <c oughs> ตกเป็นของคนด่านี่แหละต้นแบบการมองโลกในแง่ดีคือพระพุทธเจ้าพวกเราฮามก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนเลยมนุษย์ที่ทนคำด่าได้ขนาดนี้ปกติถ้าฉันด่า น, นี่ต้องเตลดเิดเปิดกวาทุกคนนะฉันด่าสาวๆยังไหวเลยเนะาะแตเจ้าลวกจมปลวกยังทั้งเลยอ่ะแล้วนี่ดูนี่เนี่ย พวกดา่าก็ไปเต็มๆติดคำ ด, าด่าไว่าครบชุดสำหรับคำด่าเลยนะไม่หวั่นไม่ไหวยังเย้มประสวนสมาสแสดงว่าข้างในจะต้องมีอะไรดีแน่ๆคุยกันไปคุยกันมาเกิดประทับจิตประทับใจปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนเรียบร้อยโรงเรียนพระพุทธเจ้ า, าไปหนึ่งคนเห็นไหมเปลี่ยนคำด่าเป็นโอกาสในการบรรลุธรรมของผู้ชายคนนั้น พวกเราทั้งหลายเวลามีใครมาดา่าเราเนี้เรามีโอกาสที่จะพลิกคำด่าให้เป็นการบรรลุธรรมไหมจู่ๆมีใครมาจิกหัวด่าเนี่ยมีสิทธิบรรลุธรรมไหมพร้อมคำดา่าย่อมจะบรรลุ อ, อะไรดีบรรลุลความโกรธบรรลุความแค้นบรรลุความเครียดใช่ไหมแต่กับคนที่มีสติไม่หรอกเอาอีกตั้งตัวอย่างหนึ่งมีอยวันหนึ่ ง, ม, ง, งมีมบุที่มีคนจ้างมารุมดามา่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 พระไม่ยอมก้หมหัวให้ใครเลยพระพุทธงก็ยี้บอกใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่ที่พูดมานั้นถูกมากเลยฉันหนึ่งมันไม่มีสมากรคารวะหรอกเพราะว่าถ้าฉันไปคารวะใครเข้านี่หัวคนนั้นจะหลุดจากบ่าให้ฉันคารวะไหมไอ้คนด่าชัดแย้งเหมือนกันนะเจอต่อหน้าอย่างนี้เข้าไปนะกลัวหัวจะหลุดจากบ่าไปในเจดวันเพราะอะไรเพราะพระคุณธรรมของพระองค์นั้นสูงที่สุดใช่ไหมไปก้มหมัวให้ใครคนนั้นเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากนะ ฉะนั้นนะักการเมืองบางคนเวลาไปตามต่างจังหวัดและมีประชาชนมากราบที่เท้าเนี่ยนะเขาต้องไล่เลยนะอาเพิดเลยนะเดี๋ยวโดนก็หาทำตัวเทียมเจ้านะเห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งเลิศทั้งร่าจะให้ใครมากราบเราไม่ได้นะอันตรายนะพระองค์ก็เหมือนกันพระองค์จะไปก้หมหัวให้ใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนที่พระองค์ก้มหัวให้จะเดือดร้อนทำแก่ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าให้พระพุทธองค์ก้มหัวให้แก่ชักแยงหยิบคําด่าชุดไม้ออกมา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 นะรถที่มาจากทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางกายก็ดีทางลิ้นก็ดีรถที่มาทางใจก็ดีรถทั้งหมดฉันตัดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหมดแล้วฉันจึงเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติจริงไหมพามเจออย่างนี้เข้าไปเปลี่ยนคำน่าเลยนะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสุดยอดนักเผาผลาญเลยนะเนี่ยเป็นนักเผาผลาญ น, นะเนี่ยพุทธเจ้าบอกใช่ฉันนี่มันนักเผาผลาญมันนักวางเพลิงมือหนึ่งเลยนะ เพราะว่ากิเลส ท, ที่เป็นไฟทั้งหลายเนี่ยที่คอยเผาผลาญมนุษย์นะคือราคะโสด า, า, ามาันห่าความโลภความโกรธความหลงฉันเผาตั้เกลี้ยงเลยเหมือนการยอดด้วนเลยฉันเผาหมดเดือแต่ตอหามันก็เออได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่รู้จะไปยังไงคิดคำด่าต่อเลยนะเอเจะวอะไรมาด่านี่นาะไปคิดมาคิดมาคิดไปหยิบคาอะไรมาด่าเนี่นะยราาพระพุทธเจ้าตีความไปกนละข้างหมดนะได้ประโยชน์ทั้งหมด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 แกคิดคําได้คําหนึ่งเป็นคําที่แรงที่สุดพระพุทธองค์เป็นคนที่ไม่ได้พุญไม่ได้เกิดโอ้โหแรงไหมแรงนะไม่ได้พุญไม่ได้เกิดนะเนี่ยพระพุทธองค์ทรงยิ้มเลยนะใช่ใช่ช่ใ ช, ใ ช, ใช่เรานี่มันไม่ได้พุไม่ได้เกิดหรอกเพราะกิเลสที่จะทําให้มาเกิดใหม่นี่เราตัดได้เด็ดขาดแล้วที่ขวงต้นพระศีมหาพภพครามได้ยินอย่างนี้ปับ๊บ หมดแรงแล้วทีนี้แม้ขนาดคิดคําที่แรงที่สุดนะคือไม่ได้คุณไม่ได้เกิดก็ยังมองในแง่ดีม่าใช่ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดเพราะว่ากิเลสได้จะทําให้เกิดมันไม่มีแล้วหาอะไรมาด่าไม่ทําให้พระองค์สั่นสะเทือนได้ในที่สุดยอมตนเป็นสาวกเรียบร้อยพระองค์ไปอีกหนึ่งคนพร้อมคณะด้วยนะคณะใหญ่ด้วยคุณยังเห็นไหมถ้าเรามีสติเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิกเคราะเป็นโชคได้ตลอดเวลา ฉะนั้นเวลาที่คุณโยมเจออะไรในชีวิตที่มันไม่ได้ดังใจนะลองใช้สติค่อยๆพิจารณาไปนะคุณยมจะเห็นว่ามันมีปัญญาอยู่ในนะั้นปัญญามันมีเสมอเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เมืองเพชรนะเพชรชบุรีเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีประจำจังหวัดเลยทีเดียวเป็นลูกสาวแต่ต่อมาจับทัดจับปลูอายุแค่สิบเก้ายี่สิบเองละมัง้ง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 ท่านนี้นะแกไม่มีวันได้จับเงินหมื่นรอ๊อปพูดเสร็จหลังรื้มสัวันนั้นน้องสาวไม่ได้ยินใครอ่อี้พอนิจเลยจําได้แต่คํำของพี่ชายนะแค้นสุดแค้นโกรธสุดโกรธเลยนะกลับไปบ้านอยู่กับสามีฮุบแทบหลงประด า, าตายจริงๆนะทํำท่าจะเป็นไปตามคํำของพี่ชายซะด้วยสิบ้านเรือนนั้นเธอเล่าว่าอยู่ด้วยกันเดินแรงก็ไปได้มันจะพัง พอมีลูกไกวเปลเรงก็ไม่ได้น่ะเสามันลั่นเอ็ดอัดเอ็ดอัดเอ็ดเอ็ดเลยทุกหนักหนาสะฮัดโจ้ยจนอยู่มาวันหนึ่งนะนึกถึงคําของพี่ชายที่มาดูถูกว่าชาติเนี้ยแกไม่มีสิทธิจับเงินหมื่นหรอกในร้อยในพันไม่ยอมไปแต่งกับเขามาแต่งกันในด่าบตำรวจกระจอกคาของพี่ชายพอคิดขึ้นมาได้ก็แค้นสุดแค้นหยิบน้บํามาขันหนึ่งเดินหนูจากเรือนไป ไปที่ลานหน้าบ้านหลังน้ำหนึ่งขันลงไปบนผืนแผ่นดินแม่ทรณีเจ้าขาถ้าแม่มีตัวตนอยู่จริงได้โปรดเป็นพยานให้ลูกด้วยลูกทุกข์เหลือเกินแค้นเหลือเกินที่ชายมันมาบอกว่าชีวิตนี้ลูกจะไม่ได้จับเงินหมื่นแ ม, ม่เป็นพยานให้ลูกด้วยลูกจะไม่ขอจับเงินหมืน่นชีวิตนี้จะขอจับเงินล้านเสร็จปุบคว่ขันเลยแล้วรวยไหม มันยังไม่รวยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ละครนะนี่ชีวิตจริงเนอะเลี้ยงลูกด้วยความยากจนข้นแขนต่อมาอีกหลายปีวันหนึ่งเพื่อนบ้านเอากล้วยมาให้หวหนึ่งกินเสร็จแล้วมันเหลือแล้วทาขนมกล้วยแจกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมันบอกนี่ฝีมือแกเหรอใช่ฉันทาเองอะ่ะเนี่ยฝีมือดีแล้วเนี่ยทำไมไม่ทําขนมกล้วยขายเอากล้วยมาสิ็จ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 ซื้อตึกที่ปากซอยได้หนึ่งครูหาทำเป็นร้านอาหารเลยง่ายๆเลยทำอาหารที่เกี่ยวกับกล้วยโดยสีเหมืองเธอเองนะแล้วก็ขายดีขายดีไปไปมาเพิ่มสองครูหาสามครูหาสี่ครูหาห้าคูหาทุกวันนี้ถ้าเราไปจังหวัดเพชรบุรีจะมีร้านขายขนมหม้อแกงแล้วก็มีป้าใหญ่จว่าแม่กิมไล่เต้ไปหมดเลย เป็นสิบห้องเลยแล้วก็มีคนทำเรียนแบบเป็นแม่กิมลงแม่กิมเล้งแม่กิมลันแม่กิมเลอะเรียนแบบแม่กิมไลาขายเต็มไปหมดเลยวันธรรมดาธรรมดาขายได้ประมาณสามสี่ร้อยถานะวันเสาร์วันอาทิตย์ขายได้พันหรือสองพันถานหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอามาลงว่านะเวลานี้แม่กิมไ้ปล า, ปากรายเป็นอะไรเซนเทนีพันล้าน ไม่ได้จับเงินหมื่นนะจับเงินล้านและไม่ใช่แค่ร้อยล้ะพันล้านา น, นี่คุณแม่เพิ่งเล่าลงในหนังสือพิมพ์โพส t ์ทูเดเร็วๆนี้เองเห็นไหมว่าถ้าพี่ชายไม่ดูถูกจะเป็นเศรษฐีไหมจะเป็นมหาเศรษฐีไหมคงไม่ได้เป็นแล้วนี่แหละเปลี่ยนครอบก็คือความยากจนและคำดูถูกของพี่ชาย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 และเขาก็รับจิตเข้ามาอยู่ในบ้านต่อหน้าต่อตาทุกแทบล้มระดาตายนะคุณาูนะถึงขั้นเตรียมซื้ อ, อยามากินสองคนแม่ลูกให้ตายตกไปตามกันเพื่อประชดสามเมแต่ต่อมาเขาเดินออกมาจากบ้านเธอได้คนเพราะว่าเธอเพิ่งได้เจอรักแท้เมื่อแต่งงานครั้งที่สองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยาไปคิดนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเรามันเลวร้ายเสมอไปบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมา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 สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วคุณยมอย่าไปชิงดับชีวิตหนีมันนะเพราะความทุกข์มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดบับเชื่อธรรมาเถอะมันดบับอย่าไปชิงฆ่าตัวตายเชื่อนะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วจูดูสามีเสียชีวิตทิ้งนี้ก้อนโตวไว้ให้ตั้งร้อยกว่าล้านแทบหลมประดาตายในงานศพเจ้าหนี้มาทวงหนี้กันคึกคักเต็มไปหมดนะ เจ้านี้ตามเข้าไปถึงในบ้านรองเท้าก็ไม่ถอดนะคุณโยมนะเธอบอกว่าตกใจมากเลยเพราะว่าตอนไปกู้นี่ได้รับเกียรติสูงมากเลยนะเชิญก็ไปรับบี่เชิญไปห้องโน้เชิญไปห้องนี้น ห, นห้องที่วีไอีที่สุดนะ่ะให้กู้แต่พอสามีตายนะคนจากแต่ละธนาคารนะมาร่วมงานศพรีดก็ไม่ติดมือมามาโทร น, นี้แล้วเดินเข้าไปในบ้านนะคุณโยมนะบางคนไม่ถอดรองเท้าคุกคามกันถึงที่สุด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 เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อกายส่วนใจใจส่วนใจกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจโธแยกออกเลยนะนี่ส่วนนี่ชีวิตส่วนชีวิตเกิดปัญญาสว่างโฮงน้ําตาขาดเลยกลับมาคราวนั้นตั้งหลับได้ก้มหน้าก้มตาทํางานใช้นี่หนึ่งปีใช้นี่หมดจบชีวิตกลับมารวดอีกครั้งหนึ่งได้ไปเล่าชีวิตตัวเองออกรายการเจาะใจ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 คุณยอมเห็นไหมว่าถ้าไม่ทุกข์แทบล้มกระดาตาอย่างนั้นจะมีโอกาสได้พบธรรมะไหมฉะนั้นถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นมาใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งทําร้ายตัวเองนะบางครั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเคราะที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราก็เปรียบสเสมือนใครสักคนหนึ่งส่งทุเรียนมาให้เราถึงบ้านเราไปแกะกล่องออกมาดูบ้าเหรอเนี่ยส่งอะไรมาให้ฉันเนี่ยแล้วมันจะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยดูด้เนี่ยมีแต่นาม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 ยอมถือหลักเลยนะหลักยังไงครับพระ อ, อาจารย์หลักของเจ้ า, าวาดวัดหนึ่งทันฉลาดมากเพราะว่าวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้ า, าวาดใหม่แล้วมีคนมาลองดีท่านนะยกปประท้วงท่านว่าอายุแค่นี้จะมาเป็นเจ้ า, าวาดวัดใหญ่ขนาดนี้หรือจ้างให้ก็เป็ดไม่ตลอดคนนั้นเขียนจดหมายสนเทศมดาด่าคนนี้ส่งมือวางอันดับหนึ่งมาชวนทะเลาะ ท่านถูกด่าถูกรบกวนถูกยุ่แย่ให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดตลอดเวลาแต่หลวงพ่อองค์นี้ท่านถือหลักช่างหัวมันทำยังไงพวันหนึ่งท่านก็ไปให้ลูกเศรษฐไปซื้อตาช่างมาแล้วก็เอามันมาวางบนตาช่างนะนั่งวางหน้ากุฏิเลยเจ้าวาดวัดอาตมาคือวัดเบญจมาศบพิตษท่านเขียนเป็นกวินี้คนเล่าเรื่องนี้เอาไว้นะว่ามีสมภารวัดหนึ่งลึกซึ้งมาก ภูกว่าถากฐานอย่างเสียหายท่านไม่สนตอบคำทำวุ่นวายคิดอุบายผันผ่อนสอนใจตัวเอาตาช่างตั้งราอยู่หน้ากุดแล้วก็ขุดมันวางข้างละหัวใครมาเห็นออกปากทักกันัวท่านเจ้าครัวช่างมันเสียหยันเตอรหมก็บอกโยงคนนั้นว่าโยงกลับไปนะ มีปัญญาด่าด่าไปยอมทาเป็นหูหนวกได้ไหมทําเป็นตาบอดได้ไหมทําเป็นคนใบ้ได้ไหม จ, ไนะจําไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่บอดทําเป็นบอดไม่ใบ้าทาเป็นใบ้ไม่หนวกทําเป็นหนวกนี่แหละศิละปะของการช่างมันฉันไม่แค่งกลับไปสี่ทุ่มมึงโทรศัพท์มาพระอาจารย์ผมโดนไปเต็มเลยครับทําไม ก็เ น, นี่ยเมื่อกี้สามทุ่มผมขับรถกลับเข้าบ้านไปภรรยามายืนรอเลยแล้วเป็นยังไงไปไหนมาไอ้แก่ผมก็เลยบอกว่าไปหาพระพระที่บ้านเราก็มีในห้องพระก็มีทำไมแกไม่ไปหาคุณพระที่ผมไปหาเป็นพระชั้นดีนะมันจะดีสักแค่ไหนเชลทำโบนะโอไหนล่ะโบหนึ่งโบสองหรือไง อตาตมาสะเทือนเลยนะจามเลยวันนั้นน่ะโอ้โหชื่ออตาตมาก็เอาไม่อยู่อ่ะแล้วเธอก็ฉุกหิ้วหูเข้าบ้านไปพออาบน้ำปุ๊บเกิด อ, อะไรขึ้นรู้ไหมยยังได้ยินเสียงภรรยาด่าแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเสียงฉนมุ้งมิงม้งมึงม้งเลยแต่เขาบอกว่าจะทําตามพระอาจารย์เปิดเปิดฝักบวัวสน้ําแรงมากเลยแล้วก็ผิวปากกลับออกมา พันธุ์ยายืนนัมือเท้าเฉยๆแกไม่สนใจแกเดินเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าลแล้วนอนเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งพันธุยาก็ขึ้นเตียงนอนแกบอกว่าผมยังได้ยินเสียงหอบหายใจอยู่เลยแม่ช่างมันได้ผลครับเชื่อไหมนี่คือความจริงนะในชีวิตอาตมานี่เจอลูกศิษย์แปลกๆอย่างนี้เยอะมากนะบางคนเล่าไม่ได้นะต้องให้ตายไปกระตัวนะแต่บางคนที่เล่าได้เขาก็อนุญาตให้เล่า อันนี้ก็เรื่องจริงเรื่องจริงว่าทุกครั้งที่ถูกพัญธ า, าด่าดอย่างนี้เขาตอบพอตอบปับ๊บผลข้างเคียงมาเลยลูกๆ ก, กอดกันร้องไห้แล้วทุกนะคุณผู้ชมนะลูกๆผลการเรียนไม่ดีขึ้นเลยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยบางครั้งลงมือลงไม้ลูกร้องไห้กระเจเิงกระแงเลยทุกมันไปลงที่ลูกแต่แม่กับพ่อนั้นบางทีทะเลาะ ก, กันซะจนเคยชินวันไหนไม่ได้ทะเลาะนอนไม่หลับ เขาจะมาให้คาถาช่างมันไปทัานนาคู่นี้รู้ไหมทุกทุกเย็นพันรญาห ย, ย่อนระเบิดมาพอพันรยาพอสามีทําเป็นไม่บอดทําเป็นบอดไม่หนว่วงทําเป็นหนวกไม่ใบ้ทําเป็นใบ่นะระเบิดด้านทุกวันพอระเบิดด้านทุกวันทุกวันทุกวันพันรยาก็ไม่รู้จะทําไปทําไมหลังๆก็ลดความเข้มข้นในการด่าลงเห็นไม้มแล้ววันหนึ่งในวงเข้าพันรญ า, าก็บอกว่านี่ฉันถามหน่อย แกยุตเท่าไหร่ก็เท่าคุณแหละก็นั่นสี 40, ่สิบ ต, ต้นก็ยังไม่แก่เนี่ยแล้วทำไมตอนนี้แกตายด้านไปหมดละสามีบอกผมไม่ได้ตายด้านไม่ได้ตายด้านแล้วเป็นแกเป็นยังไงเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันจืดไปหมดเลยเนี่ยจะพูดอะไรไปแกก็ไม่ตอบผมจะบอกให้ผมมีครูดีใครคือครูของแกอย่ามาบอกนะว่ารพระอีกพระอี๋เบยอะไรนะวอหนึ่งวอสองอะ เชื่อไหมคือพอสามีเอ่ยชื่ออัตมาขึ้นมาพรนดายาไม่ชอบเนื่องจากเป็นคนปากร้ายคือเป็นเป็นคนจนะีนนะคุณยมตุ้งลิงต้งลิงลุงลิงแล้ววันหนึ่งสามีก็พามากราบอัตมาพอมาถึงอัตมาก็รับแขกอยู่คนเยอะมากเลยเป็นสิบคนนะ่ะพอมาถึงพุกแกไม่เข้ามาใกล้เลยแล้วเรียบเข่งแข่งเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะนั่นน่ะสามีได้ยินคุณพระนะไม่ใช่มันไม่รู้อะ ฉันมาถึงฉันกราบเสร็จฉันก็กลับคุณกว่าจากนั้นีิวทนได้เป็นเดือนนะเออวิเศษตรงไหนล่ะก็เหมือนพระจุลลุปเนี่หัวหลานเหมือนกันแหละอ่ะายังได้ยินเม้าเม้เลยนะพอคนอื่นกลับเข้าไปสิบเ็ดนาฬิกาครึ่งแล้วก็ขานเข้าไปของคนสา ม, มีภรรยาแต่มาพอเห็นมมปุ๊บสามีก็พยักพยักอาจารย์ครับวันนี้พาแม่ของลูกมากราบครับ เป็นยังไงโยมเห็นสามีเล่าให้ฟังบ่อยบ่อยฮะไอ้แก่เนีนะเราต้องยอมให้พระฟังแต่เขาเล่าเรื่องดีๆทางนั้นนะโยมเห็นว่าโยมทําอาหารอร่อยไม่ใช่เหรอเรายิ้มมานะเรายิ้มมาเลยนะลูกสาวก็น่ารักด้วยนี่เออแล้วเป็นยังไงเนี่ยอยู่กันมากี่ปีตั้งสิบกว่าปีอะเจ้าค่ะแล้วเป็นยังไงเห็นว่าโยมนี่เป็นนักพูดใช่ไหม ัหันไปนบองสามีเราฟ้องไปไกี่เรื่องอาจารยมาชวนพูดชวนคุยชวนพูดชวนคุยเอาละโยมรับอรนะ้อนนะตาจารย์ก็ให้ฟอนถาวายเข้าวปลาหารกลับไปคุณยอมเชื่อไหมไบ่ายโมงสามีโทรมาพระอาจารย์วันนี้ปลากินเป็นเป็นไงโยมเขาบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระที่อัยาศัยดีมากวันหลังให้ผมพากลับมาหา ตอนนี้เชื่อไหมเวลาธรรมามีงานวัดมาทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นปากที่เคยด่าคนตอนนี้เปลี่ยนเป็นปากที่เทศธรรมะแล้วง่นี้เดียวเห็นไหมอจมาจารย์จึงบอกสามีไปว่าคนยมรู้ไหมเนี่ยเพราะว่าคนยมเนี่ยถือหลักช่างบันฉันไม่แขกคุคนยมใจเย็นๆ น, นะบางทีคนที่ด่าโยมด่าเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเนย็นจนยมหมดหวังว่าจะโปรดเขาไม่ได้แล้วเนี่ย ถ้ายมใจเย็นไปอีกนิดหนึ่งนะในที่สุดถ้ายมเปลี่ยนได้ยมก็จะได้ภรรยาที่แสนดีอย่างนี้กลับมานอกจากตอนนี้จะไม่ด่าแบบเดิมท่ออะไรคุณยมรู้ไหมเพราะเธอมาสํานึกได้ว่าเผลอดา่าตมาเข้าไปหลายครั้งพระบ้าอะไรนะี่ยวอหนึ่งวอสองนั่นใช่ไหมเนี่ยพอมาเจอตอมานะคุณพระของคุณเนะี่ยพูดนี่ดีต่างก็ชั้นลิบเลย และสะเทือนใจพอสะเทือนใจมากๆถึงรู้ว่าตัวเองเป็นคนปากเสียมาเจอคนปากดีเข้าให้ก็เลยอยากปากดีมั่งอย่าไปนึกนะว่าอายุสี่สิบแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้นะฝรัดังเขาบอกว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อส่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าทอนะคุณสามีคุณภรรยาทั้งหลายถ้าสามีหรือภรรยานำความทุกข์มาให้แกเราให้เราขอบคุณไว้เลยนะว่า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 สิงคนนี้ร้องหม่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นรักเป็นเวรอาตมาก็กําลังนั่งรถจะไปสนามเบญสุวรรณภูมิอยู่พอดีแล้วก็นุ้นมาเมือ่อรายการร้องไห้อันยาวนานจะจบสักทีฉันจะต่อเครื่องนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปนะร้องจนจบแล้วเนี่ยอาตมาก็ถามโยมใกล้จบหรือยังใกล้จบส่งสัญญาณด้่ยพอร้องโหสุดท้ายปุ๊บก็พูดออกมาด้วยความอัดอันอ้นตันใจพระอาจารย์เจ้าคะ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 ตอบไม่ดีในเสียหมดเลยโยมก็ถามหน่อยหนึ่งบุญมีจริงหรือไม่สองถ้ามีจริงทำไมคนดีอย่างโ ย, ยมต้องป่วยแบบนี้ด้วยพระอาจารย์ตอบด้วยทราบแล้วเปลี่ยนอาตมาก็เลยบอกว่าโยมบุญ น, นั้นมีจริงก็ถ้าจริงแล้วบุญนั้นไปไหน ตอนนี้โยมป่วยระยะสุดท้ายจะตายอยู่แล้วทำไมที่ตักบาตมาทั้งหมดจึงไม่มาช่วยให้โยมหายป่วยเนี่ยระบุญมีจริงจะ่ามันเล่นลิ้นกับโยมเอาแล้วไหมล่ะเมื่อกี้ไม่มีแรงนะตอนโทรมาครั้งแรกไม่มีแรงนะคุยไปคุยไปไม่มีแรงขึ้นมาถ้าบุญมีจริงทำไมโยมไม่หายล่ะตักบาต ท, ทุกเช้าอ่ะ้าพปลอมใช่ไหมท่านอาตมาบอกโยมอย่าไปละเมิดพระ จริงทุกองค์นั่นแหละก็นึกทำไมบุญมันไม่ย้อนกลับมามาทําให้โยมหายป่วยพูดเสร็จก็ร้องไห้นะร้องไห้เพราะนึกถึงวันทุกๆเชา้าตั ก, ต, กตักบาตรให้พระทําไมต้องป่วยด้วยอาตมาก็เลยบอกว่าโยมในเบื้องต้นอาตมาขอยืนยันว่าบุญมีจริงถ้าบุญไม่มีจริงเนี่ยคุณโยมไม่ดูสิเวลาที่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจ ะ, สะเสด็จนะ่ะถนนนราจะดาเนินว่างได้ยังไงนะ เวลาคุณโยมจะไปแถวนั้นทําให้ถนนว่างได้ไหมมีเงินแสนล้านโยมทําได้ไหมไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วว่าบุญมันมีจริงก็แล้วมันไปไหนมีก๊อกสองด้วยนะอตมาก็เลยบอกว่าบุญไม่ได้ไปไหนหรอบุญยังคงรอให้ผลอยู่เสมอแต่ช้าเร็วต่างกันเปลี่ยนเสมือนคุณโยมเพราะถั่วงอกเพรคืนนี้รุ่งเช้าอาจจะได้กิน แต่ว่าถ้าคุณโยมปลูกต้นมะม่วงห้าปีถึงจะได้กินผลบันใช่ไหมฉะนั้นบุญที่คุณโยมทำไม่ได้หายไปไหนก็เปรียบเสมือนโยมเพาะถัวงอกและปลูกต้นไม้บางครั้งกว่าจะผลดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาโยมต้องให้เวลาบุญด้วยก็ถ้าบุญไม่มาตอนนี้เนี่ยโยมตายไปแล้วบุญจะมาทำไมโยมไม่ได้ต้องการตอนนั้นต้องการตอนนี้มาทาให้โยมหายจากโรค พูดไปร้องให้ไปด้วยความคับแขนใจว่าบุญไม่ช่วยธรรมาก็เลยยกตัวอย่างอห่ายอมตอนที่โยมอยู่กลางแดดเนี่ยนะยมเห็นเงาตัวเองไหมเห็นเจ้าค่ะพอโยอมก็ไปในร่มทําไมไม่มีเงาไม่รู้เจ้าค่ะธรรมาก็เลยบอกว่าเวลาที่เราอยู่กลางแดดเราเห็นเงาตัวเองเพราะอะไร <c oughs> ก็เพราะว่ามันมีแสงแดด <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มีตัวเรา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 แล้วทุกวันนี้เนี่ยยอมไม่ให้ใครรักษาแล้วเนี่ยยมอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันนี้ยมทํำยังไงพระอาจารย์เจ้าคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเจ็บขึ้นมายอมก็ใช้การดูเวทนาเท่านั้นเองดูยังไงยมก็พิจารณาลงไปที่กายที่กําลังเจ็บที่กําลังปวดพระอาจารย์เจ้าคะในชีวิตอย่างให้พระอาจารย์ลองปวดด่วยในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง <laughs> เอาแล้วไหมล่ะ แล้วอาจารย์จะรู้ว่าที่โยมบอกว่าปวดปวดปวดนั้นน่ะมันไม่เท่าครึ่งครึ่งครึ่งของคำว่าปวดเลยสักนิดหนึ่งเพราะมันปวดออกมาจากไขกระดูกเลยพอาจารย์จุกขาสักครั้งหนึ่งนะเจ้าขาแล้วถ้าปวดหนัหนกๆโยมทำยังไงโยมใช้พิจารณาเวทนาคือดูความปวดแล้วมันช่วยไหมช่วยเจ้าขา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 แล้วยมก็ใช้จิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตของโยมแล้วยมก็ใช้ธรร ม, มานุปัสสนาพิจารณาสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่บนเตียงนี่แหละอาตมาได้ฟังปุ๊บอาตมาชิงสาทุกอยู่ในรถเลยนะสาทุโยมถามฮะพระอาจารย์สาทุทําไมเจ้าค้าสมําหน้าโยมเหรอคะตนมาบอกไม่ใช่โยมอาตมาได้ฟังที่โยมเล่าแล้วอาตมาอยากจะบอกโยมว่า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 เอาแล้วไหมล่ะแต่แม้ก็ชวนพูดชวนคุยชวนสอบอารมณ์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ ย, ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดหลายอาทิตย์ก่อนโทรศัพท์มาพระอาจารย์ขอโทษเรื่งนันนะที่ร่วงเกินตอนนี้โยมไม่ปรารถนาจะให้โรคของโยมหายกัแล้วเพราะโยมรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าโยมเป็นหนึ่งในบรรดาคนโชคดีที่สุดในโลกเพราะอย่างน้อยที่สุดโยมก็ได้เจอเรื่องนิพพานกรรมบัฐานแล้ว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 แต่บางทีโยม อ, อาจจะได้ดวงตาเห็นทำบนเตียงก็ได้ฉะนั้นอย่าเลิกนะพิจารณาไปเจริญนิพพานาไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผู้หญิงคนนี้ก็เจริญนิพสานาไปเรื่อยๆคุณโยมจนในนาทีสุดท้ายที่มัจจุราชมาพรากผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตด้วยอาการอัสนบในขณะที่สามีขับรถเตเปลี่ยนซื้อผ้าที่บ้านกลับมาเธิดเสียแล้วแล้วก็ยิ้มอยู่บนเตียงหนึ่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องและเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตพร้อมกับรอยยิ้มต่อมาเมื่อนําร่างของเธอลงบรรจุในหลงญาติได้เดิโทรศัพท์มหาตมาวันนั้นตามาพยาบรรยายเรื่องอยู่อย่างไทยตาอย่างสันติอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานั่นเรีนญาติบอกว่าพระอาจาร ย, ย, ย, ย์เขายังยิ้มอยู่เลยเขาโชคดีมากโอกาสหน้า พระอาจารย์ช่วยเทพให้โยมด้วยนะโยมอยากไปแบบนี้เอ้าแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นใครจะเป็นจะตายโทรหาต่อมาอยากจะฟังเที่งกันสุดท้ายจนกระทั่งมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนรุที่ก่อนจะเสียชีวิตได้ไปออกรายการเจาะใจนะนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตระทีเทพให้ฟังก่อนจะดับจิต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 แสดงในยะบางอย่างว่าเธอจะต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเห็นไหมอย่าหมดหวังนะหลายท่านหลายคนที่ป่วยที่ไม่สบายอย่าหมดหวงังความป่วยของเรานั่นแหละคือครูของเราความป่วยเกิดขึ้นมาเพื่อมอบปริชาญาณแห่งการเหตดธรรมครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเจริญนิพพากรรมฐานแล้วป่วย ก, กระสอบกระแซในที่สุดจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายไปหยิบมีดโกนมาชวดคอ นาทีที่มีดกรนดเลืดก้านก อ, องท่านนั้นจิตท่านหลุดพุ่ออกมาจากความยึดติดถือมัน่นกลายเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับจิตดวงสุดท้ายเมื่อลูงลับดับขันไปที่สู่สนทนากันว่าพระรูปนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์บอกว่าอย่าถามว่าเธอไปเกิดที่ไหนเพราะเธอบรรลุภาวะพระ น, นิพพานเรียบร้อยแล้วจบสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดคุนยมเห็นไหมฉะนั้นก่อนความตายมาพราก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 ของเราท่านทั้งหลายได้บ้างตามสมควรและเชื่อมั่นอีกว่าในอนาคตหากเราท่านทั้งหลายมีเคราะห์เทนี้เราจะยิ้มต้อนรับเคราะห์ไม่มัวเป็นสะดอกเคราะห์เพราะเรารู้ศิละปะของการเปลี่ยนเคราะหให้เป็นโชคเปลี่ยนโรคให้เป็นปูเรียบร้อยแล้วด้วยอนุภาพของคุณพระสนทรัจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจั ย, อ, อ, ยอํานวยอวชัยให้เราทุกคนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ มีความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ไปด้วยจตรุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิพานทนาสารสมบัติโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนด้วยเธิ